5. อเจลกกวักหมวดว่าด้วยนักบวชเปลือยหนึ่งอเจลกสิกขาบท ว, ว่าด้วยนักบวชเปลือยเรื่องพระอานนท์269สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูตาค า, าราสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระสงฆ์มีของเคี้ยวเหลือเฟือทีนั้นท่านพระอานนท์ได้นําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงแจกขนมเป็นทานแก่พวกคนกินเดนท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจัดพวกคนกินเดนให้นั่งตามลําดับแจกขนมให้คนละชิ้นแจกขนมให้ปริภาชิกาคนหนึ่งสองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียว พวกปริพาชิกาที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวกับปริพาชิกานั้นดังนี้ว่าสมณารูปนั้นเป็นคู่รักของเธอหรือปริพาชิกานั้นตอบว่าสมณารูปนั้นไม่ใช่คู่รักของดิฉันท่านแจกให้สองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียวแม้ครั้งที่สองท่านพระอนุนก็แจกขนมให้ปริพาชิกานั้นสองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริพาชิกาที่อยู่ใกล้ๆ ได้กล่าวกับปริภาชิกานั้นดังนี้ว่าสมณารูปนั้นเป็นคู่รักของเธอหรือปริภาชิกานั้นตอบว่าสมณารูปนั้นไม่ใช่คู่รักของดิฉันท่านแจกให้สองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียวแม้ครั้งที่สท่านพระอนุลก็แจกขนมให้ปริภาชิกานั้นสองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริภาชิกาที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวกับปริภาชิกานั้นดังนี้ว่า สมณะรูปนั้นเป็นคู่รักของเธอหรือปริภาชิกานั้นตอบว่าสมณะรูปนั้นไม่ใช่คู่รักของดิฉันท่านแจกให้สองชิ้นด้วยสำคัญว่าเป็นชิ้นเดียวพวกปริภาชิกาเหล่านั้นโต้เถียงกันว่าเป็นคู่รักไม่ใช่คู่รักอาชิวกคนหนึ่งได้เข้าไปที่ที่เลี้ยงอาหารภิกษุรูปหนึ่งคลุกข้าวกับเนยใสจานวนมากได้แจกข้าวก้อนใหญ่แก่อาชีวกนั้นครั้นแล้ว อาชีวกนั้นได้ถือก้อนข้าวนั้นไปอาชีวกอีกคนหนึ่งได้กล่าวกับอาชีวกนั้นดังนี้ว่าท่านได้ก้อนข้าวมาจากที่ไหนอาชีวกนั้นตอบว่าข้าพระเจ้าได้มาจากที่เลี้ยงอาหารของข ah ้าบดีโลนสมณะโคดมพวกอุบาสกได้ยินอาชีวกเหล่านั้นสนทนากันลําดับนั้นอุบาสกเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งหน้าที่สมควรอุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กระราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกเดรัจฉ์เหล่านั้นต้องการตีเตียนพระพุทธต้องการตีเตียนพระธรรมต้องการตีเตียนพระสงฆ์ขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดอย่าให้สิ่งของแก่พวกเดรัจฉด้วยมือตนเองเลยลาดับนั้น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 ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป